ก็คือถูกละพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตผู้รู้สอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรจะละแต่ฉันจะละต่อเมื่อฉันพอใจแล้วเท่านั้นดมันสิ่งนี้จะเป็นความที่รันที่สุดในตัวมนุษย์เรานะฉันจะเลิกฉันจิงดีจะเลิกแต่ว่าต้องสะใจก่อนต้องไปถึงที่สุดก่อนจึงจะเลิกยินดีจะมาเลิกโดยจะไม่อยู่ในสมด็จของ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 กลัวจะพลาดจากชีวิตซึ่งเป็นฐานสาหรับชิมสิ่งห น, นึ่งครด้วยเหุนี้ผู้ที่ฝักฝ่ายในเรื่องของหมกนุ่นในเรื่องของกรรมคุณคําว่ากรรมคุณนั้นต้องอธิบายขยายความนะครับไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับเรื่องการเสพรถทางวัตถุคนหมกนุ่นฝักฝ่ายในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่กลัวตายมากๆเพราะโดยการคิดอนุมานว่า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 เรีว่าปากประตูใหญ่เลยครับถ้าเราพิจารณาได้สติปัญญานครับทั้งใช้ความคิดและทั้งระดงความรู้สึกสัมผัสน่าแสดงผมไม่ได้ไปเสดการใช้ความคิดเลยนะครับความคิดอาจจะนำทางลงมาท่อนหนึ่งแต่ตัวความคิดมันมีปัญหาในตัวมันเองยุทธศาสตร์ของการภาวนานั้นเป็นยุท ธ, ธศาสตร์ของการปรับเ ป, ปลีปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาครับ สมไม่กนินบ่อยนะครับที่คนพูดว่าคําสอนสนักนั้นดีมากคือระบบาาาาาาอานาบาลนัสสิสมักนี้สอนดีมากใช้วิธียกมืออย่างของลุงประเทียนหรือของเสือนโมกหรือพุโทโธหรือสมาหลังตามความเข้าใจของผ ม, มนั้นยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นเพียงเทคนิคเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเราสามารถนํามาใช้ประสมผสานกันได้นะครับแต่ในที่สุดแล้วเทคนิค น, นี้ไม่สามารถนําเราไ ทางเฉพาะตัวของเราได้ท้ายที่สุดผมคิดว่าไม่มีวิธีไหนเลยนอกจากตัวมันเองเพราะฉะนั้นจิตสานึกที่มาถึงวันหนึ่งคือหนึ่งหรือช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งอัจฉริยนการดือด้วยความรู้สึกที่ว่าพอกันดีสำหรับการซัดสายไปลอกแบบผูน้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ เยอะโศโอห อ, องนะครับแต่ผมสุดเป็นความจริงแค่ทีเดียววา่กาก่อนนี้พระเจ้าถ้าว่าเจ้าชายสิืบทาหรือเป็นนักบวชสกยมุนีแล้วนะครับก่อนหน้าท่านมันนั่งใต้ต้นม้สีมหาโพนะครับถ้าท่านยังนอกแบบคนอื่นจําความรู้คนอย่างนนีะ้ท่านจะไม่ได้เป็นพระเจ้าครับดูเหตุนั้นท่านบอกท่านรู้เองจริงๆไม่ได้รู้เ่อไหน้ามา่ก่อนถ้าสมมุติเจ้าชายยังจําทฤษดีเก่าๆ ที่ครูสอนไว้แลนํามาขบเนึ่งคิดเนึ่งตีความอยู่นื่องแยกแยะอยู่ผมเชื่อท่านจะไม่เข้าถึงความเป็นพุทธะต่อให้มีความพุท ธ, ธะรออยู่ก็ตามเพราะความคิดทั้หงหมดบังลมหมดอุปมาที่ผมชอบมากๆอันหนึ่งก็คือตอนที่ท่านข้าแม่น้ําเนรัญชราก่อนที่เข้าไปสู่ใต้ร่มพระศรีมหาโพลนะครับ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 แล้วจมดิ่งสู่น า, า น, นาคพิภพพญานาคราชสะดุ้งตื่นแล้วลำพึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ช่างชางมาตรสูเร็วเหลือเกินสิ่งนี้เป็นปริศนาธรรมที่ล้ำลึกครับบาดานคืออะไรโลกใต้พิภพที่อยู่ของน า, าา น, นาคราชพญานาคราชนั้นตามผมกระจนะครับพระอริยจ้าโดผมตีความเป็นนาคกปรชัชญาคือเป็นปรชาญาที่ล้าลึก ลึกซึ้งถึงบาดาลเลยครับแวันที่พระเจ้าเห็นนิมิตอันนี้โดยความจริงนั้นไม่มีใครรู้นะครอาจเป็นน้ำวนก็ได้หรืออะไรก็ได้มันทำให้เกิดปรากฏการตกแปลกแต่สิ่งที่ปรากฏกับตัวเจ้าชายนั้นสำคัญมากครับเหมือนกับว่านกตกลงมาจากยอดไม้มันก็เรียกของนกแต่ว่าสำหรับผู้ดูที่เชื่อโชคลางเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งฉันใดก็ฉ น, นั้นครับ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 ดังนั้นในมติหม่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในนั้นนะครับต่อวินีทางว่าต้องทวนกระแสเปลี่ยนสมมตนทวนต้นไปสู่ต้นฐานเพื่อจะจมลงสู่บาดาลวิพุฒัญญาคือปัญญาก่อนหน้าที่ความคิดจะเกิดนี่คือความรี้ลับในตัวมนุษย์ครับเราไม่เคยรู้ฐานะก่อนหน้าความคิดจะเกิดเเราไม่เคยรู้จักภาวะก่อนเกิด เพราะคนเกิดคืออะไรเราเรานิ่งสนิทเลยครับเรานึกไม่ออกเลยเหมือนกับเรานั่งนึกย้อนอดีตไปว่าเราอายุหกขวบเราคิดอะไรนาะเราเริ่มลางเลยแล้วนะฮะห้าขวบที่นี้อนงะขวบนึกนึกแปดทิศเลยครับพูดถึงภาวะก่อนเกิดก่อนเกิดเรื่องนะครับคืออะไรสมมุติว่าเราใช้ภาวะก่อนเกิดเรื่องในความหมายธรรมดาก่อนถูกลดชนก็คือภาวะที่ยังไม่ถูกลดชนะครับคือนภาวะที่ปกติดีอยู่ หลังจุลชันแล้วมันมันเป็นภาวะใหม่เรามีความจำใหม่แล้วเราก็ดิ้นรนที่พ้นจาภาวะใหม่ด้วยเาะวัาเไว้พิปฏิพาณ น, นี้เกิดขึ้นกับนักบวดที่ชื่อโคตมพุทธะที่ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราครับท่านเอกใจที่เมาว่าหกปีที่แล้วมาเนี่ยท่านตามกระแสอารมณ์มตลอดไปเข้าฌานไปทำทรมา น, น, นจนก็ตามความคิดตลอด ความคิดบอกให้ทําอะไรก็ทําตามมนตลอดแต่มาครางนั้นเองครับท่านเฉลียวจอยดังนั้นเองนะครับเมื่อข้ามลำธานนี้แล้วเมื่อมันนั่งบนฟอนหญ้าคาคที่จริงไม่ใช่หญ้าคาครับหญ้าคามันคันเป็นพืชกบน้ําี่ที่หนึ่งจะมากกว่าเนยเพราะมันนุ่นนวนดีพอนั่งฟ่อนหญ้าแล้ววัตเตอร์ทำแห่งสตรีปรฐานก็เรื่องขึ้นก่นกอนหน้านั้นท่านปฏิบัติจิติถูกๆเรื่อยๆนะครับ เามาถึงวาระนั้นเองกรับที่ว่าท่านเริ่มรดดมความรู้สึกตัวที่จะทวนกระแสวัฒนธรรมชาวพุทธนั้นควรจะกําหนดจดจําคือวัฒธรรมทวนกระแสทวนกระแสอาลงคําทวนกระแสไม่ใช่ต้านกระแสเนี่ยเหมือนกระแสน้ําไหลามานี่คำทวนกระแสแล้วขึ้นเหนือกระแสแล้วก็ว่ายเข้าฟัง่งหรือเช่นเดี ร, เรือที่จมน้ํา เราก็อาศัยน้ำนั่นเองกขากูก้เรือแล้วก็แล่นในบนถิ่มเรือไม่ใช่ไปไปต้านน้าเข้าไม่เอาเรือไปขวางน้าเข้าว่าทํำจนกระแสก็เกิดขึ้นครับนี่คำถามมันเกิดขึ้นว่าทวนความคิดทําอย่างไรเพระาะเนตัวงเราทั้งหมดภูมิหลังทั้งหมดอนาคตทั้งหมดปัจจุบันทั้งหมดของเราขึ้นกับความคิดหมดแล้วตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อตื่นนอน เราลมตาตื่นมาเพราะฉะนั้นเราจะคิดจะก่อนหน้าเราจะลืมตาตื่นสิตื่นขึ้นมานี่เราเรียบร้อยแล้วครับถูกความคิดครอบนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทํางานไปทะเลาะกับหัวหน้าไปทำโน้น น, นี้กลับมาเย็นก็นเหนื่อยเมื่อยล้ามาทะเลาะกับลูกตลอดเวลาเราอยู่ในความคิดทุกคนที่เดินอยู่ที่ริมถนนนะครับหรือที่นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมลเ์หรือในเครื่องบินหรือในเรือเดิน<ม>ทางไปต่างประเทศหรือลงไปในอุโมงลึกๆ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 ที่สัมผัสโดยจงได้เช่นความเย็นของโต๊ะที่เราสัมผัสหรือดวงตาที่เห็นรูปแล้วมีความเย็นเย็นในเปลืกตาถูกละลือหมดสิ้เลยครับมือตัวที่เป็นแหล่งสัมผัสบริสุทธิ์เราทิ้งคุณข้าเนี้หมดเลยครับเราไปโฟกัสกับชักจะทายอะไรบ้างฉันควรจะมีอะไรเราก็โฟกัสกับกระแสงความคิดดังนั้นเองกองล้อความคิด คือกลงล้อแห่งกาลเวลาก็หมุนไปดึงแข่งดึงขาบทขยี้เราล้ลกลากรานผงฝุ่นในกลงล้อนี้แต่ถึงแน้นเราจะรู้เช่นนี้แล้วแต่ตามครับเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรยังจะหลุดจากกลงล้อนี้ได้ข้อนี้เองครับโดยปราศจากคําแนะนําของพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์โลกย่อมยากที่จะเตัวรอดนีเป็นข้อความในวินจารณ์วิจด ผมก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรืาวเหล่านีนะ้ยากที่เอาตัวรอดเพราะาวันแล้วจะตกเป็นเหยื่อของความคิดพอความคิดเปเรื่องมันสร้างสารรค์เองไงครับสังเกตดู ค, ครูที่ไม่เคยตีนกักเรียนหรือพ่อแม่ที่ไม่เชี่ยวลูกเลยนะได้เคียวสักตีนี่ไม่หยุดเลยครับเพราะความคิดใหม่เกิดขึ้นมาปูงแต่งมันจะย้ำอยู่ย้ำอยู่ทยนั้นะพอได้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งจะได้ผลเป็นสุกก็ตามทุกข์ก็ตามมันก็จะซ้ําซากซ้ํำซากอย่างนั้น รู้ชนีแล้วครับเราจะทำไงดีเสียงโอดครวนอันนี้ครับเสียงร่ำร้องอันนี้ดังระ ง, งชมชมพูทวีปในสมัยพุท ธ, ธกาลผู้คนเราวิ่งวนสารวนหาพู้ไม้ป่าเขาลุกกระเทวดาเป็นที่พึ่งคาดหวังว่าทุกทรมานตนแล้วเทวดาจะช่วยพระเจ้าจะเอื้องนวยสุขให้อ่อนวอนสรณะเ่าแน ะ, ะ น, น, น, นแล้วแต่ไม่เกษมเป็นที่พึ่งช่วยครูช่วยยาม แม้แต่การเข้าฌานสมาบัติแนวนิ่งเด่นดำด้วยความสุขที่เสรสร้างขึ้นที่ปรุงแต่งขึ้นที่กำกับควบคุมกดทับไว้ก็ไม่ใช่ที่ผู้อวทธรณ์พอไม่ได้ทำอันนั้นพอรื้อถอนการกระทำอันนั้นปรากฏว่าความทุกข์ลำบากความขัดแย้งความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดขึ้นนี่มัารอคำสวดมนต ที่พระเจ้าสอนนะครับมีประโยคหนึ่งที่สําหรับความรู้สึกส่วนตัวของศึกษาบซึ่งจึงใจมากๆครับทีจริงคาําสอนพระเจ้าทุกบททุกบาททุกประโยคน์ล้นแล้วแต่ชวนซาบซึ้งจึงใจเพราะเป็นคำที่พูดจากหัวใจของท่านผู้รู้แต่มีบางประโยคน์สำหรับบางจริตที่จะรู้สึกได้มากนะครับเช่นคําพูดที่ว่า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 ถ้าเขาฟังออกเขาจะรู้ทันดีว่าคพูดนี้จริงแล้วพูดเจาะจงถึงตัวเขาด้วยสภาวะในตัวเขาด้วยพ้อท่้จากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เด็กๆถูกแย่งทุกตาร้องไห้นะับจะปวดถูกทำลายของรักประสบสิ่งไม่รักเจอกับสิ่งที่ไม่นา่าปรารถนาก็อึดอัดขัดเขืนความสึกนี้เล่นกับเราตลอดในที่ทํางานที่บ้าน แม้ในวัดในโบทในหมู่พระสงค์นั้นคำพูดนี้เป็นคำพูดสากรำวนชีวิตครับไม่ว่าชีวิตในดาวดวงอื่นในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตคำพูดนี้จริงตลอดเวลาเช่น่าอัศ จ, จรรย์จริงนะครับคำพูดง่ายๆพื้นๆแต่ได้สะท้อนความจริงของชีวิตออกมาพระท่านก็พูดต่อว่าโดยย่อแล้วที่ทุกข์เพราะขันห้าถูกยึดถือ ถูกครอบครองเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการภาวนานนั้นในแง่หนึ่งคือความฆราหานที่จะเสียสละมันง่ายมากถ้าเรามีเงินเยอะที่จะเสียสละเงินให้ขอทานแต่มันยากมากที่จะเสียสละความเจ้าหนี้ซึ่งไม่ใช่เงินเป็นอาคารอะไรบางสิ่งเช่นเสียสละความถือดีถือตัวแล้วคนที่เสียสละนี้มันมันเป็นคนในประเภทหนึ่งนะครับคนคนมีเงินเยอะๆก็สามารถโยนก้อนเงินให้เสษเงินนั่นก็หนึ่ง มีความสุขได้โดยตัวเองไม่ต้องแย่ใส่ฝากคนใช้ไปให้ก็ยังได้แต่การเสียสละที่แท้จริงไม่ได้อยู่ยงนั้นนะครับทานเสียสละความเจนี่นั้นก็คือเป็นเรื่องนึ่งข้างในที่แคบมีเรื่องเล่าที่น่าสนุกดีเรื่องหนึ่งในสมัยมหาวัคคีกำลังเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกอินเดียออกจากอังกฤษทำต้องการรวบรวมทุนกองทุนเพื่อมาใช้ในการเคลื่อนไหวแล้วท่านขอร้องให้ทุกคนเสียสละ งนคนเล็กคนน้อยตามตามศรัทธาหรือทรัพย์สม บ, บัติแก้าแหวนตุ้มหูสร้อยคอในเรื่องรลาว่ามีสตรีอสองนางมาหาท่านเพื่อจะสละบริจาคเงินสมทบทานทีก็พูดถึงตรงการาการตรวจแอกประเทศชาติทห้ฟังสตรีนางแรกก็ร้องไห้ได้วยความรักชาติถอดสร้อยถอดแหวนถอดตุ้มหูสร้อย ท, ที่จมูกที่หูโอหเพื่อบริจาคสมทบเพื่อช่วยต่อสู้ สตรีคนที่สองนั้นก็ถอดหมดเหมือนกันแต่เหลือล็อกเก็ตไว้อันหนึ่งครับอามือกรำแน่นว่ากันว่าคันทีท่า น, นเอกใจว่าเขาน่าจะถอดด้วยแต่สตรีนานที่สองนั้นไม่ยอมถอดแต่ถามแล้วก็รู้ว่าแฟนนะครับผู้รักบอกว่าตะวันไหนไม่อยู่บนคองมือไหรก็เลิกกันทันทีเขาลังเลระหว่างผู้รักกับประเทศชาติเมื่อหมาตะวันทันทีรู้ชนีนีแล้วก็พูดหนักเลยครับพูดได้สละหนักเลย นางล้องไห้โฮมาแล้วก็ถอดยื่นให้าหมดเลิกก็เลิก ก, เลกกันเพื่อประเทศชาติมาทั้งนันดีล็อกล็อกแจ้งด่วนไว้แล้วก็คืนให้ครับบอกสิ่งที่เธอสลานั้นได้สละแล้วสิงนี้เรื่องเล็กน้นอยกว่าคืนไปเลยนี่เป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับในการเสียสลาดโดยั้นจนสำหรับคนที่มีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็มีความนิสิตตัวได้ต่อนื่องแน่นๆนี่แล้ว การสละอารมณ์ร้ายกลับเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเช่นความวิศยาเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยคงมีใครกล้าพูดว่าลิศยา this เป็นสุขได้ช้าเทนี้แล้วมันดีเขาคงไม่มีใครคิดแม่แหมเชื่อวว่าความวิศยาเจ็บปวดเหมือนลูกสอนเหมือนยาพิษทีเดียครับมันปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วมันกัดกร่อนเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยว่าสนิมเกิดเป็นเนื้อในเหล็กกัดเหล็กให้ปุกร่อนเองนะครับ สำหรับสติปัญญานี่ยครับที่ฝึกปลือมาดีแล้วเหมือนทต้องเอ่ยแต่ต้นมือว่าเมื่อคุ้นเคยกับสภาพผร้ายโทสะไร้ายโมหะร้ายราคะดีแล้วพอสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามันจะไม่เอาเองครับมันเป็นการเสียสละแบบที่ต้องกล้าหาร ท, า ท, ทำจริยธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่อย่างนั้นเรีบเหมือนมือด้านนี้ไปจับแกะต้อนมีความอยากจับมันก็จับไม่ติดครับแต่ถ้าด้านนี้ติดครับเพราะเราชอบ แล้วเราก็สนิทสนมอาจารย์มิวลาลก็เปรียบ ว, ว่าระหว่างมนุษย์จิตใจของมนุษย์กับกิเลสนั้นเหมือนเด็กน้อยกับมานดาคือหิ้วน้ำนมนั้นต้องดื่มน้ำนมของกิเลสตลอดเวลาจึงจะสุขสาําราญทีความสุขที่เกิดจากเสียสละรู้จะเป็นมิจฉีของอริยะเป็นมิจฉีที่คนทั่วไปอาจจะมินทรแลงแล้วคิดว่เป็นเรื่องที่ ชวนสงสัยว่าเราจะถูกหลอกรูงหรือเปล่าแต่แท้จริงนั้นการเสียสละนี้นั้นเป็นกําลังเข้าบุญพราณาไมให้จิตใจนะครับเมื่อได้เสียสละคนหนึ่งมันจะเกิดพลังใจอย่างอย่างมากมายทีเดียรครับอย่างมหาธรรมกัญชีที่เล่าแล้วไม่ใช่ท่านเกิดมาเป็นนักบุญแต่กําเนิดที่จริงท่านจะเห็นแก่ตัวของกันครับตอนไปเรียนอังกฤษท่า น, นเล่า ว, ว่าทํำตัวพู้ดีด้วยซ้ําไปผู้ดีอังกฤษเลยซ้ํำไปไป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 ซึ่เราสังเกตดีๆจะพบว่าความสุขเช่นั้นเจือด้วยความเร่าร้อนด้วยความแหนหวงด้วยความดิจเสีด้วยความครอบครองเป็นความสุขเนื่องจากการได้แพรอํานาจของตัวเองลงไปในทรัพย์สินสิ่งของสตรีบุรตรข้าวของลูกเมียคือเป็นการแพรขยายของตัตตาดังนั้นดังนั้นเองการปฏิบัติที่ใช้ความคิด สำหรับละกิเลสตัญหานั้นไร้ประสิทธิผรับมันเตมไปด้วยประสิทธิภาพเมืเ่มนอเรานึกถึงอนิจจังทุกขงกังอนัตตาแต่มันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาของเราเรานั่นแหละกําลังเรียนรู้อนิจจังทุกขงกังอนัตตาดูเหตุนั้นความรุ่งที่เติบโตจากการใช้ความคิดนั้นเป็นอย่างหนึ่งเสมมอนกว่าน้ําพุ่งมีน้ําพุ่งที่ใดก็มีพุ่งและมีเหล็กในของพุ่งที่นั่น สนความรู้ที่เกิดจากสัมผัสบริสุทธิ์เป็นคํามรู้ที่ไม่อยู่ในหน่วยของความทรงจำไม่ใช่สิ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมให้เป็นคลังของความทรงจำแนนคนสร้างตัวสร้างฐานะมีความรู้มากจิตสำนึกก็เข้าครอบครองความรู้นั้นครอบครองข้อรู้นั้นแล้วเขารู้สึกว่าฉันเป็นคนมีความรู้มากฉันมีสูงสกตกว่าคุณซึ่งมีความรู้น้อยกว่าฉัน นั้นคำรู้นั้นถูกอำนาจของเอ่ความรู้สึกตัวที่ผิดๆครอบนำส่วนประสบการณ์ที่ไม่มีการสั่งสมจงมีการมือสัมผัสพื้นเย็นๆหรือผมจะยกตัวอย่างนะครับขออาภัยด้วยกิริยาที่มาย่าทำไม่เรียบร้อยด้วยนะครับผมจะทำเสิยงอย่างนี้ครับที่เสิงเสียงมือที่ตบนี่มันจบทันทีเมือม่อเมื่อสัมผัสจบแต่มันยังก้องอยู่ในความจำของเรา ลองรู้สยังเสียงแทบมีขนาดเสียงธรรมดานะถ้าเป็นเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ออดอ้อนอยู่นานมากครับแต่โดยท <c oughs> ครับโดยตัวความจริงในตัวมันโดยตัวสภาวะของการกระทบสัมผัสนั้นก็เกิดนีนก็ดับเลย <c oughs> แต่ที่มันอยู่นี่เพราะมีมีความจำรองรับอยู่มีขนาดเสียงนะครับมีเสียงจะเรียกเอ็โคก็ได้นะยังเหมือนกับดังกล้องในเรา่า ครับครับครั บ, บ, บ, บอนเราทวนหนึ่งนั้นเละเราทวนมันอยู่แต่ถ้าเป็นคนข้าสมมุติเช่นคำดาของสตูนหรืรไม่ต้องถึงกระดาแค่ในสตูผู้เอนศกตาเท่านั้นนะครับมันตามมาถึงบ้านเลยครับมันทบทวนแล้วทบทวนอีกบทขีี้ตัวเองอยู่ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ของตา ก, กะคือคิดแยกแยะทรงจนะําะไรหนึ่ง ย้ายมาอยู่กับตะ ก, กะมาอยู่กับสัมผัสบริสุทธิ์ดังนั้นในมหาสิ่งสารสี่บอกว่าเธอนั้นเมื่อเหยียดแขนออกเธอรู้ชัดคุ้เข้าก็รู้เธอนั้นไม่ยินดีในโลกทั้งของนะดังนั้นความความรู้สึกสัมผัสได้สถาบนาความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีการสั่งสมประสบการณ์ความจําไม่ต้องจําไว้ครับเช่นเดียวกับ ปรสการณ์ในตัวมันเองทุกทุกคนหัวกะโหลกคนละหัวนะฮะแต่เราม่มีความจําเป็นที่ต้องมานั่งเน็กว่าเอมันอยู่หรือมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในความจําของเราเลยแต่มันอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่ผมชอบที่ยกตัวอย่างนั่นเวลาหลับลึกเวลาหลับลึกนั้นคือช่วงขณะที่ประหลาดลน้ำพระศจรย์ที่สุดในชีวิตธรรมดาของเราเร า, เร า, เราท่านๆนะครับ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 ที่เขาเอ่อยงเรื่องความตายนะครับคนที่ชอบคิดเร่องความตายหรือความแกช่ชราก็มักจะมีความถดถอยแทนที่จะชุ่มชื่นขึ้นเมื่อทีเองแก่เท่ากรอบทอแท้และความห ว, ดวมมาดกลัวชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นเนื่องจากโรคภไยไข้เจ็บเรารุมขึ้นลูกหลานไม่เยี่ยวแเละพลังนะกำลังที่เคยมีก็ถดถอยรูปโฉมหนงพันที่เคยดึงดูด ดวนใจเพศตรงข้ามเรื่องเสื่อมทามดังนั้นความคิดในทางศาสนาในทางโปรงท่านที่ช่วยชุ่มชื่นกลับซ้ําเติมได้ซ้ำ่ปข้อนี้ผมไม่ได้บอกว่ามรนัรสตินั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมกำลังชี้แจงว่าเราไมา่ควรเจริญมโนนสตีผิดๆซึ่งทําให้เกิดความหวาดกลัวและตดถอยหนักแต่ที่จริงนั้นเมื่อเราคิดถึงความตายนั้นเราควรคิดว่า ไม่มใครรอดพ้นจากความตายไม่ใช่เฉพาะตัวเราครับต่อเป็นเทวดาเป็นท้าวพญาษัตริย์แม้แต่ผู้เจ้าก็ตายครับบทที่อย่างนี้มันมันจะไม่กลัวมันจะรับรู้สิ่งเป็นสานะต่อทุกชีวิตขึ้นมาชีวิตมันแผ่ขยายกว้างแทนที่แทนที่จะคิดว่าเออฉันจะตายเมื่อไหร่โลกกาลังเล่น ง, งานชันหนักขึ้นทุกทีนะความคิดแบบนี้มันไปรวบยอดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวครับแล้วปัญหาที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษเราคือเรามักจะ โภพันกับความคิดเรื่องตัวเรามากเกินไปเป็นห่วงเองมากเกินไปแต่พอมิตรกได้ว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณะกับคนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีใครเลยที่ไม่ตายจิตใจเราจะโ ล, ล่งขึ้นอประการหนึ่งนั้นนะครับเราพิจารณาความตายนั้นเราเราควรจะใช้ความตาให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมันเป็นโทษหรือโดยเฉพาะความแก่ชรานะครับคนที่อายุมากๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงที่ว่าแทนที่เห็นความแก่ชราเป็นความ mm hmm. นีไร้าถดถอยถ้าเราคิดอย่างนี้จะเป็นไงไปรือเปล่าครับคิดว่าเราควรจะเริ่มชีวิตใหม่เสียทีแทนที่เราจะเริ่มมีชีวิตอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ตักกะก็คิดนึกคิดนึกมาหลายสิบปีแล้วเนะี่ยเราเริ่มใช้ชีวิตแบบสัมผัส บ, บริสุทธิเสียทีดีไหม เราคิดได้เท่านี้จิตจมันเป็นเด็กขึ้นมาครับเพราะมันเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่เชนยกมือกระพริบตาเลี้ย้ายใจเข้าเลอก้กเป็นบทเรียนแรกเริ่มซึครั้งหนึ่งเราเคยเรียนตอ น, นเด็กแม่ให้เราเดินเรื่องเดินต่อต่ต่อต่ต่เดี๋ยวนี้เราแก่แล้วครับคิดว่าพอจีสาหรับเรื่องโลกดังนั้นเราเริ่มชีวิตจริงๆสักีจิตใ จ, ม, จ ม, มันจะกระชุ่มกระวยขึ้นอีกทีครับทนที่จะท้อแท้แล้วตรวจท้อ ว่าผมพูดใช่วงต้นเท่านี้ก่อนครับจะได้สนทนาปัญหากันแล้วก็เมื่อพักแล้วก็จะมีช่วงที่สองผมเชื่อปัญหามีมากนะครับแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงหนที่สิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้นะคะรู้สร็จป็นจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินนะคะอาจารย์อยากจะขออาจารย์ให้รายละเอียดกตัวอย่างอะไรให้มากกว่านี้สักหน่อยเพื่อจะได้เป็นแนวทางว่า เราจะเอาไปปฏิบัติจริงๆได้อยาจะตัวอย่างมากๆหนยนะคะครับขอบคุณจริงปัญหาหว่างชาวพุทธ่ว่าเป็นมหายาหรือิมานะครับไม่ใช่แค่ปัญหาด้านคิดสตด้านคิดสติมการศึกษางกว้างขวางต่ออนิจจังทุกขังนักตาต่อเรื่องสุญญตาต่อเรื่องอิทัพปะฏิขนี้ตั้งหอวไห สถ บ, บันโรปะศึกษาอย่างลกซึ้งระหว่างพุทธศาสนาและมิชาวฟิสิกสมัยใหม่ด้วยนะครับ ม, มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของชาวพุทธต่อทฤษฎีบทหรือที่เรียกกันว่าปริยัติธรรมแต่ปัญหามอยู่ตรงนี้ครับว่าทำไงจึงจะเข้าถึงมันจริงๆงนั้นมันไม่ใช่ว่าทํำไงจึงจะรู้อะไรกว้า ง, ง, งๆมากๆโดยไม่ต้องเข้าถึงปัญหามของชาวพุทธจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเราดูในเรื่องราวธรรมบทรหรือตัวอย่างครั้งอดีตสมัยพุทธกาลนะครับ คนส่วนใหญ่คนไม่รู้หนังสือครับบางคนแก่เท่าได้ยิ น, รนพระพุทธเจ้าประโยคเดียวก็เข้าถึง เ, เมื่อถูกเล่าสืบทอดกันมาจดจารมาเป็นหนังสือตำรับตำราแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับเด็กเล็กๆกายุค2ขวบเข้าถึงได้สามเรีของภาษารีบุตรอายุ13ปีเป็นอารับ